สัมภัสสยองตากับยายที่สุขุมวิทเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณพาสที่เจอมากับตัวเองซึ่งเดวเาว่าผมทำงานช่วงกลางคืนที่ร้านคอมพิวเตอร์แห่งหนึ่งย่านสุขุมวิทจะเลิกงานกลับบ้านประมาณตี4ถึงตีห้า ขากลับผมมักจะเจอกับคุณยายคนหนึ่งที่ซอยบ้านผมทุกวันผมไม่เคยรู้จักชื่อแกเลยแต่ยายแกเป็นคนนิสัยดีรักสุนัขรักแมวมากอาจจะเป็นเพราะแกไม่มีลูกหลานก็เป็นได้ผมก็เห็นแกเข้าวมาให้สุนัข ก, กับแมวอยู่ตลอดเพราะบ้านผมอยู่หลังวัดสุนัข ก, กับแมวจรจัดจะเยอะมากมีวันหนึ่ง ผมก็ไปทำงานตามปกติขากลับผมก็เจอกับคุณยายอีกแต่คราวนี้ไม่เหมือนกับทุกครั้งแกเรียกให้ผมช่วยเพราะแกกำลังจะเป็นลมผมก็เข้าไปช่วยพยุงยายมานั่งช่วยพัดให้แกจนอาการดีขึ้นยายแกก็พูดกับผมว่าถ้ายายมีลูกแบบหนูนี่คงจะดีนะผมก็ได้แต่ยิ้มรับ ตอนนั้นแทนที่ผมจะรู้สึกดีใจแต่มันกลับรู้สึกขนลุกอย่างบอกไม่ถูกวันถัดมาเป็นวันเกิดแฟนผมผมก็เลยกลับช้าหน่อยเพราะจะได้ไปทำบุญที่วัดกับแฟนผมก่อนตอนนั้นเป็นเวลาเจ็ดโมงเช้าผมกับแฟนเดินเข้าบริเวณด้านหลังวัดซึ่งมันจะผ่านโต๊ะม้าหิน ผมเห็นคุณตาคนหนึ่งแกนั่งอยู่และยิ้มให้กับผมผมก็ยิ้มตอบไปโดยไม่คิดอะไรพอทำบุญกับแฟนเสร็จขนาดเดินกลับผมก็ไปสะดุดกับรูปรูปหนึ่งที่โกดทางด้านหลังผมมันเหมือนกับมีอะไรบางอย่างทำให้ผมต้องหันกลับไปดูแล้วสิ่งนั้นมันก็ทำให้ผมถึงกับหน้าชาผมจึงบอกกับแฟนว่า เดี๋ยวขอไปสูบบุหรีแปบหนึ่งแล้วผมก็รีบเดินปรีเข้าไปที่รูปนั้นทันทีชัดเลยรูปที่ติดอยู่บนโกฎดนั้นมันคือรูปของคุณตาที่ยิ้มให้กับผมเมื่อสักครู่นี้เองผมขนลุกไปทั้งตัวแต่ที่ชอกกว่านั้นคือข้างๆรูปของคุณตาคือรูปของคุณยายที่หัวซอยที่ผมเจออยู่บ่อย ผมเข่าอ่อนสุดลงไปกองหยุดตรงนั้นร้องไห้ออกมาแบบไม่อายใครเลยแล้วผมก็ได้มารู้ทีหลังว่าคุณตากับคุณยายแกเป็นผัวเมียกันคุณตาแกเสียไปห้าปีแล้วส่วนคุณยายเสียไปแค่ปีกว่าๆแล้วที่ผมเจออยู่ทุกวันนี่ลหละมันคืออะไรเหตุการณ์นี้ผ่านไปหลายปีแล้ว ซึ่งตัวผมเองก็ยังคงทำงานอยู่ที่เดิมแต่จะกลับช่วงเจ็ดโมงเช้าแทนไม่กลับตีสตีห้าอีกแล้วคืนอาถรร ม, มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งทางภาคเหนือเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่ทัพพิมพ์นามสมมุติ เรียนอยู่ปีหนึ่งมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งของภาคเหนือซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้จะไม่สามารถนำรถเข้าไปได้มหาวิทยาลัยของทัพทิมจะบังคับให้นิสิตปีหนึ่งทุกคนอยู่หอในทัพทิมได้อยู่หอ11อชั้นหนึ่งซึ่งมีรูมเมดอยู่ด้วยกันหนึ่งคนรูมเมดของทัพทิมชื่นอนายเป็นคนภาคกลาง และมีเซนเกี่ยวกับเรื่องผีผีพวกเราอยู่ที่หอในด้วยกันเกือบเกือบปีก็เจอดีกันเกือบทุกวันแต่เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่นายเจอแล้วเอามาเล่าให้กับทัพทิมฟังเรื่องนี้อยู่ว่าที่มหาวิทยาลัยของทัพทิมจะมีอยู่คืนหนึ่งที่ต้องเอาของสีแดงทุกชิ้นไปเก็บไว้ให้มิดชิดเพราะเชื่อกันว่าคืนนั้น จะเป็นคืนที่กองทัพของพาะิชย์สวนออกมาเดินผ่านบริเวณหอในรุ่นพี่ก็เล่าสู่กันฟังว่าเคยเจอบางก็ว่าเห็นเป็นกองทัพบ้างก็ว่าได้ยินแต่เสียงคนเดินหลายๆคนแต่พอออกมาดูก็ไม่เจออะไรจริงๆแล้วทัพทิมไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องนี้สักเท่าไหร่เพราะคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องเล่าหลอกให้เด็กปีหนึ่งกลัว แต่นายกลับบอกว่าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ทัพทิมเลยจำเป็นต้องเก็บเสื้อผ้าเปลี่ยนผ้าปูที่นอนเพราะมันเป็นสีแดงและเก็บกล่องห่อข้าวของทัพทิมที่เป็นสีแดงด้วยพอตะวันตกดินก็รู้สึกได้ถึงความน่ากลัวที่เกิดขึ้นซึ่งโดยปกติแล้วที่หอในจะคึกคักมาก โดยเฉพาะหน้ามินิมาร์และลานดาวที่มักจะมีคู่รักมานั่งคุยกันมีเพื่อนๆพี่ๆที่มานั่งเล่นหรือคนที่ออกมาซื้อข้าวของเครื่องใช้หรือบางคนก็แต่งตัวเตรียมออกไปเที่ยวหน้ามหาวิทยาลัยแต่วันนั้นตั้งแต่ช่วงเวลาใกล้สองทุ่มทุกอย่างดูเงียบสงดทุกคนกลับเข้าหอกันเร็วมาก และทุกห้องต่างพากันปิดประตูหลังห้องเพราะถึงสามทุ่มทัพพิมพ์ก็เปิดประตูหลังห้องออกมาดูแล้วพูดกับนายว่าวันนี้ไม่มีคนอยู่หน้าหอเลยปิดหลังห้องกันหมดด้วยนายก็บอกว่าใครจะกล้าออกไปวันนี้อย่าว่าแต่ปิดหลังห้องเลยแต่และห้องต่างเก็บผ้ากันเรียบไม่เหลือทิ้งไว้แม้แต่ตัวเดียว แล้วทับทิมก็ปิดประตูหลังห้องทับทิมนอนเล่นมือถืออยู่สักพักก็เริ่มง่วงและปวดตาจากแสงหน้าจอมือถือด้วยเลยบอกกับนายว่าจะนอนแล้วซึ่งตอนนั้นน่าจะเป็นเวลาประมาณห้าทุ่มพอทับทิมวางมือถือปุ๊บก็หลับไปเลยตอนเชา้าทับทิมมีเรียนตอนเก้าโมง แต่นายเรียนแปดโมงเลยเข้าไปอาบน้ำก่อนพอนายอาบน้ำเสร็จก็ออกมาแต่งตัวระหว่างนั้นนายก็บอกกับทัพทิมว่าต่อไปนี้เปิดไฟนอนได้ไหมแล้วก็เอาผ้าม่านตรงหลังห้องลงด้วยทัพทิมเลยแปลกใจและบอกว่าถ้าไม่ปิดไฟทัพทิมจะนอนไม่หลับมีอะไรหรือเปล่า หลังจากที่ทัพทีมถามแบบนั้นออกไปนายก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนตอนเกือบเกือบตีสองขณะที่นายกำลังเล่น i p แพอยู่นายก็แชทกับแฟนตามปกติแต่สายตาเหลือบไปเห็นอะไรขาวๆตรงหน้าต่างหลังห้องก็เลยวางไ p แพดแล้วหันไปดูแล้วนายก็เห็นเป็นหน้าคนขาวๆตรงบริเวณหน้าต่างบานนั้น หัวนั้นมันเกยอยู่กับขอบล่างของหน้าต่างเมื่อทัพทีมได้ยินดังนั้นก็เลยบอกไปว่าคิดมากไปหรือเปล่าเพราะห้องของเราอยู่ตรงชั้นหนึ่งอาจจะมีคนปีนมาแกล้งก็ได้นายก็ตอบกลับว่าจะเป็นไปได้ยังไงตรงหน้าต่างเป็นอ่างล้างจานจะมีใครปีนขึ้นไปได้เพราะตรงนั้นมีถ้วยจาน ช้อนซ่อมถ้ามีคนปีนขึ้นมาก็ต้องมีเสียงบ้างหละแล้วนายก็เล่าต่อว่าหลังจากที่เห็นว่าเป็นหน้าคนนายก็เลยขยี้ตาหลายๆครั้งแล้วก็มองดูอีกทีแต่ก็ยังเห็นใบหน้านั้นอยู่มันทำหน้านิ่งๆจ้องมองมาที่นายตอนนั้นนายพยายามตะโกนเรียกทับทิม เรียกตั้งหลายครั้งแต่ทัพทีมก็ไม่ตื่นนายไม่รู้จะทำยังไงจึงหันกลับไปมองอีกครั้งแต่ก็ยังเจออยู่แล้วใบหน้านั้นก็ค่อยๆอยลอยห่างออกไปจากหน้าต่างพอนายแน่ใจแล้วว่าใบหน้านั้นหายไปแล้วนายก็รีบลุกขึ้นไปดึงม่านลงแล้วกระโดดขึ้นเตียงนอนคลุมโปงนอนทันที หลังจากที่ทัพทิมได้ฟังทัพทิมก็เลยบอกให้นายไปทําบุญแล้วทัพทิมก็ปริ้นรูปพระและยันมาติดไว้ที่ประตูหลังห้องเพื่อไม่ให้นายจิตตกทัพทิมยอมให้นายเปิดไฟที่หน้าห้องน้ําก่อนนอนและม่านหลังห้องนั้นก็ไม่เคยถูกเอาขึ้นอีกเลย เส้นผมคนตายเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณโบสทกับแฟนชื่อแอมซึ่งคุณโบท๊ทได้เล่าว่าผมกับแอมเป็นแฟนกันคบกันมาได้หลายปีแล้วแอมจะเป็นคนที่ชอบแต่งตัวตามสมัยนิยมช่วงไหนอะไรมาแรงแอมก็เอาหมดทุกอย่างแล้วช่วงที่เกิดเรื่องนั้น ก็เป็นช่วงที่ฮิตตอบผมกันแอมก็เริ่มจากลองตอบผมปลอมเป็นสีสีตอบเป็นชอ่อบางตอบทั้งหัวบางเปลี่ยนไปเรื่อยเรื่อยจนมีวันหนึ่งแอมเกิดอยากได้ผมยาวก็เลยไปร้านทาผมไกลเธอไปตอบผมทั้งหัวให้เป็นผมยาวถึงกลางหลังแต่ครั้งนี้ช่างได้แนะนำว่า ให้ลองต่อเป็นผมจริงโดยให้เหตุผลว่ามันดูธรรมชาติกว่าซึ่งแอมก็บ้ายุอยู่แล้วจึงตอบตกลงหลังจากที่ทาเสร็จก็เห็นว่าผมดูสวยแปลกตาแอมถูกใจมากเธอก็กลับคอนโดผมกับแอมเราอยู่ด้วยกันที่คอนโดเล็กๆแห่งหนึ่งแถวบางนาคืนนั้น หลังจากที่กลับมาผมค่อนข้างอ่อนเพลียเลยอาบน้ำเข้านอนก่อนโดยที่แอมอาบน้ำสระผมทีหลังซึ่งตอนนั้นผมหลับไปแล้วแต่ก็ต้องตื่นขึ้นมาอีกรังเพราะได้ยินเสียงแอมเป่าผมจังหวะนั้นผมก็ลุกขึ้นมาแล้วมองไปที่แอมที่นั่งอยู่ที่โต๊ะเครื่องแป้งเธอกำลังหันหน้าเข้ากระจก สางผมเป่าผมไปเรื่อยๆและเธอก็หันหลังให้ผมอยู่เมื่อผมมองไปที่เส้นผมของเธอก็เห็นว่ามีใบหน้าของคนอีกหนึ่งคนซ่อนอยู่ภายใต้เส้นผมของเธอตอนนั้นผมตกใจมากจึงขยี้ตาแล้วรีบหยิบแว่นตามาใส่และมองดูอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่มีแล้ว ใบหน้าคนคนนั้นได้หายไปแล้วแต่ผมก็ไม่กล้าที่จะบอกเธอและใจก็คิดว่าคงจะตาฝาดไปเองกลางดึกคืนเดียวกันนั้นเองผมตื่นขึ้นมาจะเข้าห้องน้ำแอมก็อยู่ในท่าที่นอนทับแขนผมอยู่เหมือนกับทุกๆคืนแต่คราวนี้ผมกลับรู้สึกแปลกๆมันแปลกกว่าทุกครั้งแขนของผม มันหนักพิดปกติหลังจากที่ผมเข้าห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยผมจึงเดินกลับมาที่เตียงและต้องเดินผ่านโต๊ะเครื่องแป้งตัวนั้นแล้วสายตากรุงผมก็เหลือบไปเห็นที่กระจกบานนั้นมันคือภาพสะท้อนจากเตียงที่แอมนอนอยู่ที่เตียงนั้นมันมีผู้หญิงผมยาวอีกคนนอนอยู่ข้างๆและเอามือนั้น จับที่หัวแอมอยู่ผมรีบหันไปดูอย่างเร็วแต่กลับไม่มีอะไรพอหันกลับมาที่กระจกอีกครั้งผู้หญิงคนนั้นก็มายืนอยู่ข้างหลังผมแล้วสายตาของเธอจ้องขเขมงมาที่ผมอย่างดุดันผมตกใจตะโกนร้องลัน่นพร้อมกับหลับตาและก้มตัวมือกลุมหัวคุกเข่าอยู่กับพื้น เสียงร้องของผมมันทำให้แอมตื่นขึ้นและเข้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อตั้งสติได้ผมจึงเล่าให้แอมฟังในทันทีแอมตกใจแทบช็อกส่วนผมรีบไปนอนสวดมนบนเตียงคืนนั้นพวกเรานอนไม่หลับกันเลยทั้งคืนจนวันรุ่งขึ้น ผมได้พาแอมไปที่ร้านทำผมร้านนั้นเพื่อให้ช่างเอาผมที่ต่อ น, นั้นออกแล้วก็รีบไปวัดทำบุญกรวดน้ำชุดใหญ่เมื่อนาเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ไปเล่าให้พระท่านฟังพระท่านก็บอกว่าอาจจะมีคนไปตัดเอาเส้นผมของคนที่เสียชีวิตไปแล้วโดยที่เจ้าตัวไม่ได้ยินยอม เขาก็เลยกลับมาตามทวงคืนพอได้ยินดังนั้นผมก็สั่งห้ามแอมไม่ให้ไปต่อเส้นผมอีกเป็นอันขาดหลังจะกลับจากวัดก่อนที่จะถึงคอนโดพวกเราก็เดินผ่านร้านทําผมร้านนั้นเมื่อมองเข้าไปในร้านผมก็เห็นเส้นผมดํายาวที่เพิ่งทอดจากแอมไปเส้นผมนั้นมันแขวนขายอยู่ที่หน้าร้าน ตั้งราคาแค่ไม่กี่ร้อยบาทเท่านั้นผมคิดว่าจะไปบอกกับเจ้าของร้านแต่ก็เปลี่ยนใจขอไม่เข้าไปยุ่งอีกจะดีกว่า สมภัทสีย